ก็ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอาจารยตสมมาสมุทัเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกนกุลบุบาอาจารย์ถวายความเคารพหลวงพ่อพ่มหาดิเลกพุทธญาันโทด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญในธรรมญาติโยมนักปฏิบัติธรรมผู้สนใจในธรรมทุกท่านก็ฝังสบาย วันนี้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาบอกเล่าประสบการณ์ทมซึ่งอาตมาภาพเคยศึกษาวิธีการเจริญสติการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนนี่มานันพอสมควรในระดับหนึ่งซึ่งเคยศึกษาวิธีนี้มาตั้งแต่เป็นสมณะ เคยฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็เป็นพระก็ยังปฏิบัติมาเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมสำหรับการออกนอกวัดที่มาอยู่เมริกาก็ปีนี้หลวงพ่อท่านมาจำมันสายที่วัดป่าจึงได้มีโอกาสติดตามมาช่วยมาเป็นแบบ มาเป็นตัวอย่างมาทำให้ดูอยู่ให้เห็นมาเป็นเพื่อนยอตยยมในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะวิธีการเจริญสติแบบปลืมตานี้มันเป็น การไปเชิญหรือเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวตาต่อตารู้สึกสู่รู้สึกคือรู้ยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเห็นยังไงก็ออกมาอย่างนั้นก็คือการเจริญสติการปฏิบัติธรรมในรูปแบบแบบนี้ดางคนบอกว่าโอ้ทําไมมันหนัก บางคนบอกว่าทําไมมันเนืดทําไมมันเหนื่อยก็เป็นธรรมดาการปฏิบัติมันก็ต้องสู้ต่อทุกข์ถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันก็จะไม่เห็นธรรมซึ่งทุกข์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นนี้ทุกข์ประจํากายบางคนก็มีโรคมีภัยทุกข์ประจําจิตบางคนก็มีความคิด อดีตบ้างอนาคตบ้างพุ้งซ่านกันไปนั้นเราทํำยังไงมันถึงจะออกจากความพุ้งซ่านออกจากความคิดหรือจะเห็นความคิดหรือจะเข้าใจความคิดหรือจะเข้าใจเวทนาคือความเจ็บปวดพวกนี้ได้ตามควาเป็นจริงซึ่งตอนแรกๆตะมาไปเจอในรูปแบบการ ปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนแต่มาไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมีการยกไม้ยกมือแบบนี้เราคิดว่าตอนเป็นส ม, มัยนั้นมาคิดว่าปฏิบัติธรรมคงเป็นนั่งหลับตาเลยจะเห็นผีเห็นคนที่ตายไปแล้วเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้คิดไปแบบเนี้แต่พอเข้ามาปฏิบัติธรรมเปิดคอรั้งแรกสามวัน ปฏิบัติธรรมทำไมยกไม้ยกมือเมื่อกับไล่แมงหวีแมงวันเมื่อกับทําอะไรฟออ้อนเอ๊มันจะเกิดสมาธิได้ยังไงจะเกิดสติได้ยังไงเกิดความรู้สึกตัวได้ยังไงแต่ท่านก็ถามว่ารู้สึกไหมในสิ่งที่ทําก็คง ว, ว่าทําเป็นทําได้แต่ถามว่ารู้หรือไม่มันก็รู้ ร, รู้แบบสัญญายจําไปเฉยมันไม่ได้รู้แบบในจิตในใจของเราออกมาจริงแต่ก็ยังติดใจอยู่ว่าเออปฏิบัติธรรมนี่มัน มันคงมีอะไรดีๆครูบาอาจารย์ท่านถึงพาปฏิบัติก็อยากติดตามอยากอยากสแสวงหาธรรมะปฏิบัติแบบนี้ต่อไปอีกในเมื่อเป็นั้นก็เวลาปิดภาคเรียนเวลาไม่ได้เรียนหนังสือเวลาไม่ได้อยู่ในสํานักปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ในสํานักเรียนปริยัตการบวชนี้มันมีเรียนปริยัติเรียนปฏิบัติแล้วก็ลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ย บางทีมันยังไม่มีเวลาที่จะออกไปปฏิบัติปิดภาคเรียนแล้วออกไปออกไปปฏิบัติอุปสรรคการปฏิบัติธรรมครั้งแรกไปที่ออกไปที่ได้เห็นคําว่าอาการเปลี่ยนแปลงคําว่าจากการที่โดนด่าว่าไม่ไม่มองหน้าคนแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่ เชื่องช้าอะไรแบบนี้การปฏิบัติธรรมแบบนี้นี่มันสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราได้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนช้าเป็นคนไม่พูดเป็นคนไปบุกับงูกักป้ายแต่พอไปอยู่ปลายชาเจ็ดวันไปศึกษาธรรมะปฏิบัติอยู่กัอบครูบาอาจารย์เจ็ดวันวันที่หกวันที่เจ็ดจะเริ่มรู้ว่า ผ่านง่วงผ่านความเจ็บความปวดเพราะว่าวันสองวันแรกที่ไปมันจับหลักไม่ได้ครับยิ่งไปอยู่ปลายชาท่านท่านจะทดอสอบเราว่ากลัวผีไหมกลัวจะตายก็บอกว่าไม่กลัวถ้าไม่กลัวก็ให้ไปอยู่ที่เมลุที่สาราพักศพพักญาติก็ไปอยู่ ตกดึกมาก็กลัวกังวลกลัวกังวลตอนกลางวันปฏิบัติไปมันก็มีแต่ง่วงง่วงง่วงง่วงก็อยากเก็บไปหลักไปนอนขี้เกียจเบื่อไม่รู้มาทําไมมาแล้วไม่ได้อะไรมันก็มีตั้งแต่ความคิดลากไปคือช่วงปฏิบัติหน่อยมันยังไม่เห็นความคิดยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นความคิดอะไรเป็นความรู้มีแต่ทําท่านบอกให้ทําก็ทํานะทําไปเรื่อยๆทําแบบทําผิดทําถูก แต่ในเมื่อเราศึกษาไปในจุดจุดหนึ่งวันที่หที่เจดที่บอกว่ามันจะเริ่มเห็นความง่วงเริ่มสลัดความง่วงออกได้ก็เพราะว่าตอนนั้นนีมันง่วงมากง่วงจนจะหลับนั่งก็จะหลับจะนอนก็กลัวแต่ก็เลยบอกเพื่อนที่ไปปฏิบัติด้วยว่าถ้าหลวงพ่อมาเรียกหน่อยนอยจะรีบลุก พอพอล้มลงจะหลับนี่ครับพอตื่นยังไม่หลับเลยครับกําลังเคลิ้มลงเพื่อนเรงพ่อมามันสะดุ้งปุ๊บขึ้นมาแล้วมันตื่นวูบขึ้นมาแล้วความง่วงมันจางออกไปเลยไม่รู้มันไปไหนครับแล้วมันส่างมันสว่างมันสดใสมันโอ้ปฏิบัติธรรมมันดีแบบนี้นะ จากที่ไม่ค่อยอยากเกี่ยวพูดไม่อยากเกี่ยวคุยไม่ที่เชื่องช้าอะไรก็มันมันเห็นอา ก, การเปลี่ยนแปลงของตนเองเห็ น, นันทิสงก็ก็อยากติดตามชวนปฏิบัติต่อแต่มันก็หมดคอร์สหมดเวลาที่ต้องอยู่ก็กลับมาที่วัดวัดสํานักเรียนต่อก็มาบุกมาใช้ชีวิตแบบผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าก็ไปปฏิบัติเพียงแค่ไปเข้าคอร์สเฉย กลับออกมาก็มาอยู่อย่างนี้ซึ่งการปฏิบัติธรรมพิธีนี้มันต้องสู้ต้องเผชิญ น, นะครับต้องเอาชีวิตเข้าแลกครับเอาชีวิตเข้าแลกก็คือถ้าถ้าเป็นคนจริงเสียก่อนถึงจะรู้ของจริงถ้าทำแบบเยอหยออยี่ยยะทาไปก็เหนื่อยก็พักไปแต่ที่จริงการเหนื่อยการปวดการเมือ่อยการล้าเป็นธรรมดามัน ถ้าเราปืนเราทนเราทวนได้เราก็พลิกแผงเสียพลิกแผงออกไปอุปสรรคมันก็จะแก้ให้มันได้อย่างเช่นว่าเวลาง่วงอุบายแก้ง่วงของของพระเองก็เวลามันง่วงจะทําทตาโตโ ต, ตมองไกลๆแล้วก็เดินให้เร็วขึ้นยกมือก็ยกเร็วๆยกทุง้งสูงรีบเปลี่ยนแปลงรีบเปลี่ยนพอรีบเปลี่ยนปุ๊บ มันจะไม่ได้ย้ำอยู่กับจุดเดิมบางทีเห็นพระยกมือเร็วๆเร็ๆเร็วๆเรๆจะทันหรืออะไรแบบนีมันทันมั้ยบางข้างมันก็ทันบางข้างมันก็ไม่ทันเพราะว่าถ้ายกยกไปบางทีมันเป็นความเคยชินมันไม่ใช่เป็นความรู้แต่ถ้าช้าเนิบเกินไปมันก็เป็นการกดทับงั่นเราต้องหาความพอดีหาสมดุลในในการกระทําของตนเองให้มันพบ หาความพอดีฮะความเป็นกลางถ้าเราเจอความพอดีเจอความเป็นกลางของเราเราจะเจอความนิ่มเจอความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของเราข้อเรารู้อย่างนี้เราก็ทำไปรู้ไปทำไปรู้ไปเห็นไปในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงได้มันมันจะรักตนเองเราก็รักสังคมสิ่งแวดลอ้อมกรรมการกระทาต่างๆไปอยู่ที่ไหนมันรู้สึกว่า ไม่ได้ทำให้คนอื่นเข้าเดือดร้อนก็ว่ามันมองเห็นตนเองแล้วก็เห็นจุดชี้แล้วก็มองเห็นคนอื่นเขาได้นะการทำแบบนี้ต้องต้องทำบ่อยๆครับไม่ใช่ว่าผมไปทำครั้งเดียวผมจะทิ้งพอก็เหมือนกับญาติโยมนี่แหละเวลามาเข้าเข้าคอร์สเหมือนตอนนี้เหมือนกับเข้าโรงเรียนการฝึกหัดแต่พอออกจาก คอสไปก็จะไปใช้ชีวิตแบบคารวะทั่วไปต้องทําการทํางานต้องทำโน่นทนํานี่ต้องใครทําร้านอาหารก็ต้องทำร้านอาหารใครเขียนหนังสือก็ต้องเขียนใครสอนก็ต้องสอนใครเป็นหน้าที่อะไรต้องทําหน้าที่เป็นเป็นเนนที่ฝึกมาใหม่ๆก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกันเข้ามาเรียนหนังสือมาโน่นมานี่พอกลับออกมานี่สองสามวันแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้รักษาอารมณ์ได้ดีดี เหมือนกับจะขยันจะมันจะเพียนโอ้ชอบฟังอยากฟังธรรมะคนนู้นคนนี้พอห้าวันหกวันเจ็ดวันไปมันสั่งออกมันจางออกจางออกสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเคยอยู่ยังไงมันนี้มันเข้าเข้าไปความวามเคยชินนั้นเราจะรักษาประคองความรู้สึกตัวตัวนี้ให้มันเป็นเองให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นปกติวิสัยของเราได้ยังไงนี่เราต้องต้องทําให้มันต่อเนื่องครับ ทำให้มันต่อเนื่องก็คือเราจะทำอะไรอยู่ <S <S เราจะขับรถอยู่เราจะเข้าครัวอยู่เราจะทำนู่นทานี่อยู่จะมันละเอียดถึงจนกระทั่งว่าตื่นนอนหลับนอนตื่นท่าไหนนอนในท่าไหนพับผ้าห่มก่อนหรือว่าจะล้างหน้าแปรงฟันก่อนหรือว่าความคิดมันตื่นก่อนตื่นกับความคิดหรือตื่นกับความรู้สึกหลับกับความคิดหรือหลับกับความรู้สึก ถ้ามันละเอียดถึงปบบ น, นั้นเออหลับก็จะมีสุขตื่นก็จะมีสุขแล้วก็ไม่ฟุ้งไม่ปรุงแม่แต่งและสังเกตว่าบางคนนี่จะอยู่ในความคิดคะเวลาอยู่ในความคิดเหมือนกับพายเรือในโอง่งวกไปวนมาวกไปวนมาวกไปวนมาแล้วออกแก่ความคิดไม่เป็นมันก็เลยเป็นทุกข์กับตัวนี้แหละทุกข์กับความคิดนี่แก้ไขยังไง การแจ้ก็ต้องกลับมาหาตัวรู้ที่ปัจจุบันธรรมการที่จะกลับมารู้ปัจจุบันธรรมได้ก็ต้องมีตัวมีอุบายมีอุบายบางคนก็ไปหาอุบายดูลมบ้างแต่ดูลมบางคนก็มายกมือจเจริญสติบางคนบอกว่าการยกมือนี่มันไม่สวยไม่กล้าที่จะไปยกต่อที่สาธารณะต่อที่ชุมชนกลัวเขาว่าก็จริงครับ อย่าไปยกครับผมผมรู้เข้าใจสภาวะใหม่ๆหมผมไม่กลัวอะไรผมออกมาอยู่วัดสำนักเรียนกับหมู่คณะนี่ว่างผมไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งยกมือไว้ไวขอหาว่าโอ้ยมันบ้ามันเป็นบ้ามันไปยกมือคนเดียวมันไปอยู่คนเดียวมันไปไม่ทาไมไม่พูดไม่คุยอะไรมากทำไมแบบนี้ที่จริงถ้า ถ้ามันเจอสภาวะอารมณ์แบบนี้ถ้าเราคัดสรร์ไว้เป็นมันจะไปไปตามความคิดดึงไปนั้นเราต้องรู้รู้สถานที่เวลาเราไปทําการทํางานเราก็สัมผัสนิ้วหรือเคาะขาหรือเราเอาอุบายที่จะเป็นเครื่องอยู่ของเราให้ได้มามาประยุกตแต่ว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขายกมือแบบนี้ให้ยกเลยให้ําให้ใส่ไว่าเออเรา ทำได้เรามีในตัวเราแต่ว่าตอนรูปแบบก่อนนอนตื่นนอนให้ทำครับสิบนาทียี่สิบนา ท, สทีสามสิบนาทีให้วันกลับขึ้นมาหาตัวนี้คลายกับว่ามีอุบายในการล้างล้างลบในสิ่งที่มันฝังตั้งแต่ไปทำงานมาไม่รู้มันรับเรื่องอะไรค้องใครมา มาถึงบ้านก็จะกว่าจะได้กินข้าวอะไรก็เอือมละอาเหนื่อยมากแล้วพอเวลาเป็นของตัวเองก่อนจะล้มหัวลงที่หมอนเนี่ยให้หัวนกับขึ้นมาหาตัวนี้ปัจจุบันแล้วก็อ่ายกมือจเจริญสติจเจริญภาวนาสิบนาทียี่สิบนา ท, นทีพ่อพูนภากเพียนเน้วหลับมันก็จะหลับตื่นขึ้นมามันก็จะรักตัวนี้แล้วก่อนที่จะไปทําอะไรก็เอาใส่ตัวรู้ไปมันจะไม่ขาดทุนมันจะไม่ขาดทุน ส่วนการมาปฏิบัติในคอร์สแบบนี้มันก็จะมีปวดไหลปวดหลังปวดเอวปวดแช่งปวดขาหน้ามือตามัวสารพัดอย่างที่มันจะเป็นแหละบางคนไม่เป็น ก, ก็ก็ผ่านไปนะบางคนจะเป็นถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงถ้ามันง่วงมากมากก็หาอุบายวันนี้เขาเปิดน้ำก็ล้างหน้าบ้าง แต่ล่างหน้านี่เป็นจอบสุดท้ายวันนี้ผมก็ง่วงง่วงมากนั่งก็อิว่วง่วงง่วงส ป, ประงกง่วงแบบปุ๊บปุ๊บสู้กันปุ๊บลงก็สู้ปุ๊บลงมาสู้การสู้บ่อยมันเกือเหมือนกับการการเล่นหมากรุกเล่นไปเล่นมาก็จะมีตาแพ้ตาชนะแต่การแพ้นั่นให้เราตั้งเอาใหม่ โอ้มันวุบไปแล้วนั่นเนี่ยมันแพ้เขาแล้วนะเนี่ยอากไหมพูดขึ้นมาอีกเคาะแรงๆปุ๊บให้มันตื่นโยกตัวไปโยกตัวมาสลัดมองไกลๆแล้วก็เปลี่ยนเขาให้ได้พอเปลี่ยนได้มันก็จางออกจางออกคือมันไม่เที่ยงครับการปวดนี่เราปวดหรือมันปวดเองหรือว่าเราคิดว่าเราปวด หรือมันปวดขึ้นมาจริงๆปวดเป็นเราหรือว่ากายปวดหรือใจปวดลองถามตัวเองเลยแล้วเราปวดนี้เราเข้าไปเป็นผู้ปวดกลับมานหมหรือว่าเราเห็นอาการมันเฉยๆถ้าเราเข้าไปโอ้ยคือปวดแขนแท้ยกไปยกมามือไดโนมันสิหัวทำมันไดโนมันจะเห็นอย่าไปคิดหาครับถ้าไปคิดหาแบบมันเป็นความคิดล้าไปแล้วไปแล้วมันความคิดตัวนี้มันมีกําลังครับ ถ้ามันมีกําลังความรู้สึกเนี่ยมันจะหายไปยแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเขาเรากลับเราไม่ได้ไปสนใจในความปวดเนาปวดก็ช่างเถอะเราจะมีความรู้สึกแต่อย่าไปกําหนดตรงที่มันปวดให้มากกําหนดที่มันรู้อยู่ที่มือที่อาการแบบนี้ก็พลิกแพงสูงบ้างช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปให้หาความพอดีพอประมาณพอาเมื่อมันพอดีพอประมาณมันก็จะ ตัวนั้นมันจะคายออกคายออกคายออกคายออกเปลี่ยนเขาพิกแพงกลับขึ้นมามันคายแล้วก็กลับมาหาตัวปัจจุบันนิ่มๆยกนิ่มๆยกส บ, สบายๆ ล, ล, ล, ล, ล่มๆลงๆรู้ๆรู้อาการมือนี่ที่ยกนี่ก็ถ้าบอกว่ามันเป็นสัญญาก็คือสัญญาบอกว่ากาย เป็นรูปตัวรู้เป็นนามกายเคลื่อนใจรู้รูปเคลื่อนนามรูปลูกคือกายนี่กายนั่งนี่ยกด้วยนี่มือก็มันกายกายที่มันยกกายที่มันหยุดกายที่มันลงเออใจมันรู้ด้วยไหมเป็นจังหวะไหมหรือมันลัวถ้ามันรัวรัวรวววรัมันทันไหมในอาการนั้นเร็วๆมันทันไหม สป็ดสเป็ดสป็ดถ้าสเป็ดสป็ดมันทันมันก็ดีนะมันตื่นเนาะเวลาบางทีบางคนจะไปมองเขาว่าเอ้คนนี้ทําไมเขาทําเร็วอ๋อคนนี้ทําไมเขาทําช้าเร็วช้ามันเป็นอุบายของแต่ละบุคคลเนาะแต่สําคัญคือเรารู้ตัวเราไหมถ้าเรารู้ตัวเราได้เราไปได้ไปได้ไปได้เราจะไปเรื่อยๆถ้าเราไปเรื่อยๆเรื่ยๆเรื่อยๆมันมันจะถึงจุดหมายเอง เนี่ยถึงจุดหมายเองถึงเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันแต่มันต้องมีวันถึงอยู่นั่นแหละมันจะเอาเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราถึงเราไม่ถึงก็เอาปัจจุบันเป็นเครื่องวัดครับถ้าเราทิ้งตัวปัจจุบันเลื่อมฐานตัวปัจจุบันเมื่อไหร่มันก็จะหลุดไปพอมันหลุดแล้วเอาใหม่อีกตั้งใหม่อยู่เนี่ยทําอยู่เนืองๆทาอยู่นิดๆทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะ มันจะแจ้งออกมาในตัวของมันเองครับตัวที่มันจะแจ้งออกมานี่ก็คือตัวเห็นตัวปัจจุบันครับตัวที่จะเห็นตัวปัจจุบันนี่คือนี่แหละกําลังยกอยู่เคลื่อนไหวอยู่กลับออกมาอยู่ตรงนี้ออกมาอยู่ฐานกายนอกๆให้มันมากอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นอยู่ในฐานจิตถ้าเล่นเข้าไปในฐานจิตจิตมันจะลากไปมันเป็นคนใหม่มันยังไม่ดูไม่ได้ถ้ามันจิตลาบไปแล้วมันจะไปเลยมัน มันจะออกไกลตัวต้องกลับเข้ามาหาตัวกลับเข้ามาใกล้ๆตัวตัวนี้ถ้ามองตัวถ้าเห็นตัวถ้าเข้าใจตัวเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นแหละคือธรรมมันเกิดขึ้นธรรมะมันเกิดขึ้นพระธรรมคือกรรมคือการกระทําของเราเองถ้าเราเห็นเราทำเราชนะเราได้เราสุขหัดสติเนี่ยเหมือนกับเราฝึกความรู้ในในตัวเรา ให้มันมากขึ้นเหมือนกับเรามีสียตังอยู่บาทหนึ่งสองบาทสามบาทถ้าเราขยันเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยเก็บไม่หยุดไม่หย่อนเป็นเศรษฐีเองแต่เวลาที่จะใช้มันก็เสียไปบ้างรู้บ้างทิ้งบ้างเข้ามาบ้างก็ยื้อกันไปยื้อกันมาที่สุดก็ถ้าเราแน่ใจแล้วเลยเราชกบ่อยบ่อยถ้าเราแน่ใจเมื่อไหร่เราขึ้นเป็นแชมป์โลกได้ เราอยากให้เขาตีเราก่อนเราต้องตีเขาก่อนกิเลสที่มันมาเจอเราต้องพยายามพุ่งสู้สู้บวอยเข้าบ่อยเข้าก่เข้าก็าาจะจางคายนี้ไปเองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับลับรองว่าอยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปเล่นเล่นกับความคิดเล่นกับอารมณ์ของเขาเนี่ยโอ้มันมันจะแพ้มันจะแพ้มันจะหนักมันจะเหนือ่อยที่ยกมือนี่ วันนี้มีใครยกมือแล้วหนักหนักหนืดอยเหนือยมีไหมครับยกไปรู้สึกซึมซึมเสื่องเสื่องเสื้อเสไม่รู้อะไรเบอร์เบอร์มีไหมมีนะอ่าแล้วแล้วเวลามีแบบนี้เราเราแก้อย่างไรครับหรือว่าเราไปเชิญตรงๆหรือว่าเราหลีกเลี่ยงหรือเราเดินหนีเลยเวลาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาลุกขึ้นเดินเปลี่ยนนี่บท แล้วหายไหมดีขึ้นดีขึ้นไม่นานก็เป็นอีกใช่ไหมอืมนะมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี้แหละแต่มีจังหวะโอกาสบางโอกาสในที่ว่าทําไปแล้วมันมันเบามันสบายมันโล่งมันรู้สึกว่าโอ้มันสนุกเนอะมีบ้างไหมครับมีนิดๆเนาะมีนิดๆมีไม่มาก หนมื่ันมีแบบนี้ก็เออก็ช่างมันเห็นมันโอ้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือใครก็ว่าเราเรามาชิมลองถ้าเป็นการทําอาหารถ้าทำพวกกพวกพ ก, กเสร็จไปเลยมันไม่ได้ชิมมันไม่รู้รสชาติเนะี่ยอ๋อชิมดูก่อนเนาะไม่ใหญ่ชิมดูเบิ้งก่อนโอ้มันจางตัวนี่เอาน้ำปลาใส่น้อย โอเอาใส่มาแล้วตามอีกโอ้ <c oughs> พอดีเอาออกมาออกมาไม่จินไหนการกระทำที่เรากระทำอยู่นี้เหมือนกันพระสังเกตว่าเวลาทำนี่ทำดีดีเลยแต่เวลาเลิกนีมาคุยกันมันก็หลุดหมดนะสังเกตดูเวลาทำทำดีแต่เวลาเลิกมาแล้วก็แล้วก็ทิ้งไป การปฏิบัติธรรในรูปแบบแบบนี้จะให้มันโดยเฉพาะเป็นคอร์สแบบนี้ครับจัดสรรโอกาสเวลาที่มันมีจํากัดแบบเนี้ยรีบตักตวงครับไปคนเดียวมาคนเดียวลองดูเดินเดินไปคนเดียวมาคนเดียวเดินแบบบางทีก็มันก็อดไม่ได้ที่จะไปพูดคุยเนาะถ้าไม่พูดคุยก็จะว่าโอ้ยทายแง่แท้ ทำไมไม่พูดก็ให้เข้าใจว่าโอ้การฝึกหัดในช่วงนี้กำลังจะเริ่มเข้าเก็บอารมณ์นู่นแหละครับการปฏิบัติมันจะสู้มากบายสองบ่ายสามง่วงก็ง่วงมากฟุงซ่านก็ฟุงซ่านมากแต่สี่โมงไปถึงห้าโมงเนี่ยผ้าสังเกตดูยังไม่ถึงห้าโมงก็พากันออกจากที่จงกรมออกจากที่ภาวนาทีกอ็ออกมาเร็วประมาณสักห้าโมง ถึงออกมาจากคางจงกลมนะสี่โมงไปหาห้าโมงนี้มันช่วงที่อแดดล่มลมตกที่มันกําลังจะได้อารมณ์เคยไปอยู่วัดโสมพนัทนี่ยครับสกลนครสี่โมงถึงห้าโมงนี้คนจะได้อารมณ์มากช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวมันผ่านเวทนามามากแล้วอันนี้เราลบมาถึงสี่โมงผ่านมาแล้วก็นิ้วมาอาบน้ําเลยก็หลุดไปหมด บางทีออกมาอาบน้ําก็มาคุยกันบ้างมากินน้ํปาปลานะมาอะไรมันก็เป็นช่วงที่ทดสอบเรานะครับว่าเราจะห่านควมหิวว่างทดสอบเวลากินเวลานอนเวลาเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนเวลาประมาณห้าโมงค่อยออกมาออกมาก็ออกมาความรู้สึกตัวแล้วก็จะทําจิตในห้องน้ํามีน้อยก็เอือเพื่อกันถ้ายังไม่ได้ถึงเวลาเข้าห้องน้ําหรือมันยังไม่ว่าง ห้องน้มีไม่ว่างให้เดินจงกรมคอยหรือนั่งสร้างเกีก่ยงวะเฮ้จุดใดจุดหนึ่งคอยกันไปคอยแบบไม่คอยถ้าเราไปนั่งแบบคอยแบบมันก็จะซื้อบือ้อมันก็จะทื่อไปมันก็หลุดไปคือประคองไว้ทําหน้าที่พอทําหน้าที่เสร็จก็ออกมาข้างนอกออกมาหลบหลีกมาเนือหน้าก็าหาหน้าเข้าฝ า, า, าทำเพราะเราสังเกตดูครูบาอาจารย์ท่านเออท่านจะพาเดินไหมท่านจะไม่พาเดินก็ไม่ต้องกังวลเพราะครูบาอาจารย์จะดูเอง นะแล้วก็ในเมื่อนั้นเจ็บเกี่ยวของเราเองนะใครจะส่งอารมณ์เฉพาะตัวก็มาหาหลวงพอ่อท่านก็จะส่งให้ถามท่านอะไรแบบเนี้ยคือถามการยานนมิตรถามผู้รู้มันจะขับเคลื่อนกระบวนธารทจิตเราจะพัฒนาไปได้เร็วครับในเมื่ออย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเอาใหม่ก็ได้วันนี้เมื่อเลือนเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วเอาเอาใหม่พรุ่งนี้ตั้งไหมอะไแบบนี้พอเวลาจะกิน จะทานดูหน้าดูหล ắng, ังอ่ะเขาลงมือลงมือเชี่ยวกี่คํามันเกินเชี่ยวกี่ครั้งมันคืนหรือเชี่ยกับความรู้สึกหรือเชี่ยกับความเคยชินหแบบรือเชี่ยกับเสร็จไปเลยอะไรแบบเนี้ยก็ลองสังเกตดูครับเราตักมาเราอะไรมันละเอียดครับแต่ว่าจนกว่า จ, จะดทงลงอย่างลากลงถึงความละเอียดแบบนั้นบางคนก็เก่งบางคนก็เก๊กจนเก่งจน กลัวผี่กลัวถูกถ้าถ้ามีสติเป็นธรรมชาติแล้วนี่มันจะไม่กลัวผิดกลัวถูกมันจะไม่เก่งหรอกครับมันจะเป็นธรรมชาติจะเรียนรู้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันจะใครก็มันมองตาแล้วมันรู้ใจว่าท่านจะทําอะไรแล้วจะทันท่านไหมตามทันไหมบางทีถ้าไม่ทันแล้วเอาไหมอย่าไปติดนะอย่าไปติดถ้าติดปุ๊บมันจะมันจะแน่นติดปุ๊บมันจะแน่น พอเน้นมันจะเกิดอาการขึ้นไส้อายเจียนเวียนหัวมีไหมใครปฏิบัติไปแล้วขึ้นไส้อาเกียนเวียนหัวเหมือนกับจะอาเจียนจะอะไรมีไหมไม่มีดิอ่าถ้าเป็นคนเก่าไม่มีคนใหม่จะมีอาการแต่ว่าเทคนิคอุบายรูปแบบที่ให้เบื้องต้นคูบายอาจารย์นั่นก็ให้ค่อนข้างเยชัดเจนถ้าเราไปปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาครับ อุปสรร์มันก็ไม่มีมากครับถ้ามันผ่านพวกนี้ไปได้มันก็จะสบายสํำหรับการปฏิบัติต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะได้แต่ถ้าใครสะสมมาเนืองๆนิดๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำไม่หยุดไ ม, ไม่หยุด ม, มันก็พ่อคูนภาคเพียรมากขึ้นยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เนาะใหญ่ฝึกหัดมากเท่าไหร่ยิ่งแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ มว่วนสนุกไปหนาเออนี่คือมีเครื่องอยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยอยาไปอยากได้คือยากเนียโอ้ยากเป็นคือเห็ดใดญโอ้คือทำยังไงถึงจะได้เหมือนอย่างยหญ่แต่ถ้าเอายายเป็นตัวอย่างได้ยายแก่แล้วยายมีอายุแล้วแต่ว่ายายยังปฏิบัติโอ้เราแค่นี้เรายังทําแต่ว่าเอาเอาท่านเป็นตัวอย่างแต่ว่าอย่าพึ่งไปอยากได้เหมันอย่างใหญ่เพราะยายเขาไปก่อนเราเดินก่อนแล้วนะ แต่ว่าเราเพิ่งจากเริ่มมาเดินเนี่ยเราเพิ่งเป็นคนใหม่เพิ่งหัดเดินเราก็เดินไปเรื่อยๆข้ามข้ามข้าอย่าเพิ่งขึ้นไปข้างบนเลยต้องสร้างฐานให้มันแน่นก่อนครับถ้าฐานกายเราแน่นฐานจิตเราแน่นเราเราทําไปทําไปทําไปเออมันจะถึงเองหรอถึงเมื่อไหร่ก็มันจะมีคาตอบในตัวเราตัวเราจะเห็นตัวเราท่า น, นการฝึกธรรมะนี่ฝึกไม่ไก่ตัว แล้วบางคนฝึกไตมีปัญหาว่ามองโน่นมองนี่ได้ไหมชมนกชมชมหนูได้ไหมเอชมท้องฟ้าชมอะไรได้ไหมอืมก็น่าจะชมได้อยู่นะแต่ว่าชมให้มันเปลี่ยนเห็นว่าเอเห็นนกเห็นกาวินมาแต่ไม่ใช่ไปมองจนว่ามันเพลินไปไม่ใช่นะคนเราหน่ถ้า คนที่ชอบดอกไม้รักษณะละงามไปเห็นดอกกุหลาบก็อยโอ้ยสวยแท้สวยแท้อย่างนี้ก็มีเนาะโอ้มันจะอินเข้าไปในทางเห็นนาะก็โอ้มันจะยาวครับคือมองได้แต่ว่าไม่ให้มองมันไปไกลมองไปโอ้เห็นเห็นแล้วให้รีบกลับขึ้นมาหาตัวนี้หาฐานกายตรงนี้คือไม่ให้เข้าไปจนถล่มเข้าไปตรงนั้นถ้าเห็นปุ๊บให้ถอยออกมาครับถอยออกมาล่องมาอยู่กับ ฐานตัวนี้ให้มันชัดเจนครับถ้าเราอยู่กับฐานตัวนี้ชัดเจนฐานกายตัวนี้มันจะเป็นตัวทิ้งสลัดตนวนั้นออกครับสลัดออกโดยโดยทํางานโดยธรรมชาติของเขาโดยธรรมชาติโดยความเป็นเองนะครับก็เราจะฝึกหัดไปเรื่อยๆครับทําอย่างนี้แหลทะทําจนมันเป็นชีวิตจิตใจเพราะชีวิตคือการกระทําออกจากนี่ไปก็ต้องเอาวันนี้ไปเอากายเอาใจไป ไปพูดกับคนก็ออกายใจไปพูดแล้วจากที่พูดไม่เพาะจากที่พูดไม่พูดกับคนไม่เป็นหรือว่าจากที่พูดคําเพ้อเจ้อเปี้ยงโป้งป้างเข้ามาเนี่ยกระทบสัมผัสเนี่ยเอาไม่อยู่มันถ้าเราฝึกไปแล้วนี่มันจะอุย้ยมันจะมีความละอายจะซ้ำเนียกโอ้ยเราเป็นผู้ป ฏ, ฏิบัติพูดเราคบมาเรามา เขาสอบดูได้ออกไปเนี่ยเขาจะาโอ้ใส่ชุดเขาขาวมาเนี่ยอ่าแม่ขาวยังไงโอ้เขาก็จะมีคําพูดให้เรามากระทบหรือว่าบางทีมันสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราเคยเป็นอยู่ไม่นี่มาทวนกระแสเนี่ยมาทวนกระแสไม่ใช่ว่ามาตามกระแสจะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ไม่ได้นอนเวลากินเห็นไหมถ้ากินที่บ้านโอ้จุกจุกพิพิพิพิพิพิพิพ อยากดามใหนก็เปิดตู้เย็นสบายแต่มาอยู่นี่หิวไปไหนก็โอ้ยเนาะตายเพราะเนาะาะเบื้องวะฝื้นเนี่มันเป็นเรื่องท้าทายครับเรื่องเรื่องท้าทายในชีวิตจิตใจนี่แหละครไม่ใช่เรื่องอื่นครับโอ้แล้วมันจะได้หัวนกลับขึ้นมาหัวนกลับบ่อยๆครับถ้าใครกลับม้านเป็นกลับบ่อยเป็นก็แสดงว่าคนนั้นมีกุญแจ คุญแจดอกเอกอยู่ในในมือแล้วบางทีนี่ในบ้านหลังนี้นี่เขาเอากุญแจทิ้งให้เอาก็ต้องไปหาหาหาหาดอกในน้อเปิดนี่ต้องใช้เวลาดิแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเอากุญแจในมือเราเราใช้เป็นเราเสียปั๊บไขได้รถเราก็คงจะเป็นเหมือนกันเนาะถ้าเป็นรถของเราเคยขับ มันถนัดมือมรู้จักแกงหวะก็น่าจะขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วก็ถึงจุดหมายมีความระมัดระวังเป็นนี่มันกันการรักษาใจของเราการที่เรามาฝึกหัดดาบนิสัยอุปนิสัยของเราที่จะมีเองเป็นเองได้ก็เป็นอย่างนี้แหละการฝึกหัดนี่มันมันมีบทเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจากบทง่ายๆขึ้นไปแล้วมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้น ถ้ามันยากขึ้นถ้าทำบทง่ายๆยังไม่ได้บทยากมันจะทำไม่ได้เลยมันจะล้มมันจะล้มเราต้องเริ่มจากบทที่มันง่ายๆไว้ก่อนครับง่ายๆขึ้นไปล้มก็จะยากขึ้นยากขึ้นมันเป็นบททดสอบเราอยู่เรื่อยๆไปท่านทดสอบเราจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรขึ้นอยู่กับปัญญา ขึ้นอยู่กับความละเอียดขึ้นอยู่กับการสัมเนียกของเราด้วยสัมเนียกมองดูชำเลืองดูโอ้เป็นแบบนี้เนี่ยลองดูถ้าเราดูได้เรารู้ได้มันจะตื่นการที่กายตื่นใจตื่นนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับรู้ตัวเนี่ยถ้ามันทั่วพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ มันจะแจ้งสว่างจ้ามันเนยโอ้ดีเนาะมันสิมีแต่ข้อว่าโอ้เป็นเรื่องสีเนาะทํามันเกิดเนาะเนี่ยอุปรสรรคการนอนไม่หลับมีไหมบางคนไม่เคยนอนพื้นแบบนี้ไม่เคยนอนคนเดียวไม่เคยอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนนอนไม่ได้อะไรแบบนี้แต่เวลาออกไปตอนกลางวันมันจะเสียดังนั้นเราต้องนอนให้พอ มาปฏิบัติทมาหัดกินมาหัดนอนหัดถายหัดทุกอย่างนะครับถ้าเราหัดได้แล้วมันเป็นชีวิตจิตใจใครก็รักตัวเราไม่เท่ากับตัวเราต้องรักตัวเราใครก็เห็นตัวเราไม่โหบตัวเราเห็นตัวเราเองตัวเราต้องตีเตือนตัวเราในขณะที่เราจะเห็นตัวเองชัดเจนจะรู้ตัวเองชัดเจนก็ต้องมาฝึกหัดแบบนี้ยกมือมากๆ บางคนนี่ถามว่ามันจะยกมากเท่าไหร่ละมันถึงจะเป็นมันถึงจะมีมันถึงจะได้ก็ไปอีกแล้วเป็นความคิดไปอนาคตอีกแล้วถ้ามันคิดไปแบบมันให้ดึงกลับขึ้นมาโอ้ยมันไปแล้วกลับขึ้นมาอ่อยู่นี้อืบางคนนี่กําลังสิงหวงนอนเล้เพราะว่าจักบเบาอีนี่นะไม่พูดไม่รู้อะทําไงถ้ามันสงบมากมันจะหลับครับ สมาธิมากจะหลับปัญญามากก็จะฟุง้งถ้ามันสงบมากๆมันก็มันเออมันจะเอาเอาเอาเอาเพอมันหยุดอยู่กับที่แล้วมันจะเงึบเงบงบไปเลยที่ไม่รู้ตัว แ, วแต่ว่าถ้ารูแบบนั้นนะดี่พึ่ี่พึ่บี่พึให้มีความมั่นใจในการยกมือให้มีความมั่นใจในการเคลื่อนการไหวการหยุดการ เอาขึ้นเอาลงแต่ละจังหวะแต่ละขณะแต่ละขณะให้มันเป็นจังหวะครนเป็นตัวนี้ได้นะโอ้มันสมัยนะบางทีออกวิ่งอะไรก็มีแต่ก่อนอ่แต่มาไปฝึกหัดนี่สาดเ <สา S 2> นี่ยแลนเอามันว่าท่านวิ่งไก็ได้แลนปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊ บ, ป, บ, ป, บ, ป, บปุ๊บ๊บางทีนี่ไปอยู่ฝ่ายชา้าท่านให้ออกวิ่ง กลัวผีเท่าไหร่ก็ให้ไปวิ่งไปเดินสิ่งไหนที่กลัวยิ่งเคยเชิญแล้วมันจะเห็นว่ามันมีความกลัวตอนไหนมันหนักตอนไหนมันเหนื่อยตอนไหนมันเหนื่อยตอนไหนมันตายตอนไหนมันเกิดตอนไห น, นจะเห็นตรงนั้น่ะเห็นอาการนี่ชัดเจนขึ้นต้นพยายามทํามากๆยกมือมากๆเจริญมากๆเคลื่อนไปมากๆเคลนไป คลื่อนไนี่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแบบกับความอยากนะอย่าให้ความอยากอย่าให้ความเคยชินมันเป็นตัวนําต้องให้ความรู้สึกตัวมันเป็นตัวนําถ้ามันเป็นความอยากความเคยชินโอ้ยสิบสี่จังหวะนี้ทำงานสิไตเอาขึ้นเอาลุ่มเงินซื้อเอาไปเอามาซื้อน้อยใหญ่แต่ว่าตัวที่ใจมันจะเป็นเองนี่มันมีบัวเคยถามบอถามาโอ้ใจมันเป็นเองไหมใจกายหรือมันเคลื่อนไหวกับความเคยชินนี่มันเป็นเองไหม หรือว่าเป็นธรรมชาติมันไหลมันลื่นมันคล่องไปเลยเวลาเจลปรากนี้เคยคิดที่จะแก้ไขปับเลยไหมหรือว่าทดสอบดูก่อนปวดปับเปลี่ยนปับเลยบอหรือว่าปวดครั้งที่หนึ่งสังเกตดูก่อนปวดครั้งที่สองสังเกตดูก่อน ปวดครังที่สามเปลี่ยนได้อย่างรู้สึกตัวบอแมนบอให้เปลี่ยนดิบอแมนบอให้เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แต่เปลี่ยนแบบรู้สึกตัวเนี่ยจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวอ้าวเปลี่ยนแล้วก็ทำต่อไปอีกให้มันต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องได้อย่างนี้มไม่นานครับสามวั 3, 000, 5, 000, 7, 000, นห้าวันเจ็ดวันนี้รับรองเจ <c oughs> อของดีแน่นอนอเจอแล้วจะไม่ทิ้ง จะเพลิดเพลินเดี๋ยวสนุกนี่จะเกิดคําว่าจะเห็นจะรู้ในภาคปฏิบัติส่วนภาคปริยัตการอ่านการจําการเรียนการเขียนมาญาติโยมเรียนมามากแล้วอ่านน้อยมากรู้มามากส่วนตัวปฏิบัตินี่ครับตัวที่จะเข้าไปทะลุทะลวงได้ก็ต้องให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนถ้ามันชัดเจนตรงนี้ได้โอ้สบาย สไปใช้กระไรบ่ย่านตายเน้อยใหญ่บ่ย่านตายบ่ย่านเกิดโอ้มายามได้กระไรมันกล้าไปเชิญของกิ่งมันกล้าไปเชิญถ้ามันกล้าไปเชิญได้นี่โอ้ไปใส้กับไปเถอะนะเรายังแม้ว่ากัเถอะมันดี๋ยวฟังฟังมันจะตอบมันจะตอบตอบแบบควรตอบบ่ตอบแบบบ่ควรตอบมันสิเห็นชัดเจนแบบเนี้ย กลับจากตัวหลงให้เป็นตัวรู้ให้เร็วที่สุดกลับขึ้นมาใครลอยไปที่บ้านอยู่เดี๋ยวนี้ให้กลับขึ้นมาใครลอยไปหาที่หลับที่นอนดีๆใครลอยไปหาของอยู่ของกินดีๆตอนนี้ให้กลับขึ้นมาอยู่กับตัวนี้ตัวปัจจุบันนี้ถามเราว่าเรามาอะไรนี่เรามาปฏิัติธรรมใช่ไหมเรามาหาตัวไหนหาตัวนี้ใช่ไหมเห็นหรือยัง วันนี้ให้คำตอบตนเองได้แค่ไหนทำโอ้ได้แค่นี้าทาต่อไปอีกเรื่อยๆไปขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่อย่าให้ความอยากให้ความคิดมันลากเราไปให้ความรู้ตัวนี้แหละมันจะสปีดของมันเองเนาะมันจะสปีดขึ้นไปเองของมันมันจะเปลี่ยนของมันโดยธรรมชาติถ้ามันเปลี่ยนได้โดยธรรมชาติแล้วโอ้มันสิเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตาคาคดนะแม้นแต่จะจับชายกีวรของเราอยู่<ม>ก็ยังไม่ท่านได้ว่อเห็นพระพุทธเจ้าเลยใช่แต่ว่าเมื่ออะไรที่ปฏิบัติตามธทมปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าคุณสอนไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้วเดินตามทำตามเมื่ อ, อไหรเมื่อนั้นถึงจะได้เจอนะ มีพระองหนึ่งที่ไปติดในรูปของพระเจา้าติดพรธจเจ้าเสด็จไปตรงไหนก็จะคอยตามไปดูคอยไปใกล้คิดเีอยากจะอุปธรรมอุปถากอยากจะอยู่ใกล้ เ, าาา เ, เขาทํายังไงพระเจ้าเสด็จไปไหนก็ไปนั่งซ้อมอยู่เพื่อนบอกว่ายกมือสร้างเกี่ยงวะน่เนอะยกมือสร้างเกี่ยงวะบอกแล้ว ไม่ยกเหตุย่างมันมือ้ยปวดแขนจะตายแล้วสองสาวันนี่ยกไม่ได้หรอกนั่งดูอ้อยเฉยๆก็ได้เนี่ยอือพตี๋จเจ้าเสด็จไปเทศที่หนึ่งอ็ฮ่ไปอีกไปนั่งขอไปนั่ง ก, กุ๊บกับฮ่าไปแต้มมองดูหนายเชื่อวันนี่ง คุ้วยเจ้าตวาดหนีทำไมวะ ส, สันหนีไปให้ไกลอย่ามาอยู่ใกล้ถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําตามเราถ้าไม่ทําตามคําสอนอย่ามาว่าน ว, ว, ว่าอาจารย์ว่าไงของ้ออุปถัมภ์อะไรว่านี้เนี่ยถ้าไม่ทําตามเราหนีไปให้ไกลบอกให้หนีพระเจ้าบอกให้หนีไปไล่ให้หนีเกิดความน้อยใจเนาะผู้อา บอกให้ยกก็ไม่ยกบอกให้ทําก็ไม่ทําดือ้อก็เลยน้อยใจไม่มีธรรมะไปตายดีกว่าเพราะันก็น้อยใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมออกไปคิดจะไปโดดเหี้วตายเหมือนกันพุทธเจ้าท่านก็มียานอย่างรู้เลยว่าโอ้อพระองค์นี้น้อยใจแล้วโยมคนนี้น้อยใจแล้วติดอารมณ์กับเราแล้วเพียงแค่เราบอกตะวาดว่าให้ไปฏิบัติธรรมให้มาก อยมานั่งเฉยเฉยมันไม่ได้อะไรก็ติดอารมณ์หน้างอหน้าง้ํากลับให้ได้กูโว้ยไม่ได้สมดังใจเอแทนที่อยู่ใกล้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้จะขับคอยดีนั้นเนาะพระเจ้าก็มียาดอย่างรูใหญ่ว่าโอ้คนติดอารมณ์แล้วเสกแกให้กันนะข้อป้ายไก่ยมพ่อไปหอดไก่เราเจ้าหน่อยใจตีคอยว่าสมีกระดายพี่สันยมสุวรน่ะ โอ้หน oh, no ja ่อยใจแล้วอ่ะอยากเห็นเจ้าเต้าอยากเห็นพุทธเจ้าใกล้ๆก็ไม่ได้เห็นอพุทธเจ้าโอ้ยแต่อยากเห็นเท่าต้องปฏิวัติทำตามข้างเท่าไหมปฏิบัติดียกมือไปเหตไปเพื่นเลยมีสติกลับขึ้นมาโอ้เท่าต้องเหตตัวนี่เพื่อนบอกให้เหดเพื่อนบอกให้ทํำเราต้องทำเพราะว่าโอ้เพื่อนบอกให้ทํำเราต้องทํา พอเกิดความขยันทําไปทําไปว่าท่านโดดได้เราบรรลุธรรมจ้อยเฮ็ดไปทาไปเลยเอยๆได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมมันไม่ยากเลยลนะเนาะเสียวยังเปลี่ยนเครื่องวัดไวเจ้าของบรรลุธรรมเรือ ว, ว่าเจ้าของหูใ ห, <c ười> ใหญ่ใหญ่นะคุณยายเป็นประกันว่าอู้ <c ười> การกระทําเนี่ยต้องลงมือทําก่อนทําไปทําไปทําไปทําไปเรื่อยๆพอมันเห็น รูปเห็นนามเห็นอาการสมมติเห็นความเกิดความดับเห็นอาการที่มันชัดแจ้งแกมจริงๆเดี๋ยวมันโอ้มันกล้าเอาชีวิตไปเดิมพันน่ะกล้าเอาชีวิตเข้าประกันนั่นเพิ่นบอกผ้าลงทางหรอกไม่ลงทางแต่ว่ามันอาจจะหลงอยู่หลงตอนที่มันติดสุขเฮ็ดไปทําไปทําไปนี่บางทีก็ จะติดสุขนะโอ้เย็นสบายโป่งลง โ, ลโอ้เมื่อไหรมันจะเจอสภาวะแบบนี้อีกนาะก็ไปคิดหาก็มีเนี่ยมันคือมันคือเสียไว้เถอะมันคือเบิดไว้เถอะอย่าไปคิดหาเอาอีกแบบนี้ถ้าเจอแล้วก็มันผ่านไปถ้ามันยังไม่เจอก็อย่าไปคิดหาเอาเมื่อไหรมันสิพออีกนาะก็อย่าไปคิดหาแบบ น, นี้ให้เฮ็ดหาไป เฮ็ดดูดูเขานี่แหละเฮ็ดมองนี้โอ้มันบก่กมปนธรรมราดาเลยเฮ็ดดูดูเขาหาดูดูหาบ่อยๆกัณฑสิบบอกไปแล้วกัอาตมาก็เฮ็ดหลายอยู่อาตมาเป็นคนคนหนึ่งสิ่งหูยากเลยรู้ยากเห็นยากเห็นรู้อ ย, อ ย, อยู่แต่เอาทิ้งอาตมาหนะ่ะทิ้งไว้เพราะว่าอย่างวาสน สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสังคมการก ร, ร, ระทำพอมันเรียนหนังสือมันไม่ได้ถ้าเปรียบแล้วก็คงจะเป็นเหมือนกับญาติโยมนีะ่ะ ม, มาเข้ามาเข้าคอร์ดอยู่เพียงแค่เจ็ดวันพอเจ็ดวันไปก็ไปใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแบบมีหลูมมีเต่ามีขบมีขัวมีเอียงแบบนี้มันเกิดสิลืมลืมบ่ใหญ่ มีหลงมีลืม้มอมมีไปครับคือมันเหตุสูมเหือลอติอืมเอาความรู้สึกเป็นหลักนะนี่คือความรู้สึกตั ว, วถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรากลับเป็นมันจะเห็นชัดเจนการฝึกหัดนี่ส่วนมากก็จะเป็นคนเก่าบ้างใหม่บ้างครับคนเก่าที่เคยผ่านสนามมาจะพอชำเดืองดูมันก็จะหนีไปแล้วกมงวงหรือ ว, ว่าฟุ้งซ่าน แต่ว่าถ้าคนใหม่ๆมันจะสงสัยมากครับสงสัยก็ให้ทิ้งนะครับให้กลับมาหาหลักตัวนี้ให้มากๆขึ้นพอหาหลักตัวนี้มากๆขึ้นมันจะเห็นหลักแล้วมันจะหยุดอยู่กับหลักตัวนี้มันจะมีมีเครื่องยึดนะครับถ้าเราว่ายน้ํายังไม่เป็นเราอยจะพึ่งว่ายลงที่ลึกมันจะจมต้องว่ายอยู่ที่ที่ตื้นๆก่อนหัดว่ายให้มันเป็นความเคยชินซะก่อนให้มันเป็นซะก่อนเป็นอีรีแท้ๆเราจะต้องคอย ไหวท่าได้กไ็ได้แบบนี้สิวายทั้งหนา ก, ไาากไา็ได้สิวายทั้งดังก็ได้สิวายแบบได้ก็ได้ขั้นมันเป็นเองแล้วนะแต่ว่าถามว่ท่านเป็นเองนี้ย่ำเบาไปประมาทมันมันหลุดมันหลุดครับมันหลุดถามันหลุดมันหลุดไปเมื่อไหร่หรอมันกระสิต่อยาแต่ว่าการต่อกะการต่อต้องมาต่อบ่อยๆต่อบ่อยๆทาบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆ รู้สึกบ่อยๆก็นี่เคาะขาอยู่ก็รู้สึกว่าเคาะขาอยู่เคลื่อนไหวกายสัมผัสนิ้วอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่ง่ายๆยเวลามันห่วงไปยกขึ้นสูงเร็วๆขึ้นนี่สิละเอียดเปลี่ยนบ่อยๆเข่ามันสีดีเองนะครับพยายามทำไปเรื่อยๆถ้าทำเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องชี้ทางเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เห็นทางเราถางพระเจ้ามีแผนที่ ไว้ห้าวให้เราเดินดีแล้วเราก็เดินตามทางนั่น่ครูบาอาจารย์ท่านมาถ่ายทอดให้แล้วดีแล้วนี่ประเสริฐแล้วเลือดแล้วนี่เราก็ทํำลงมือเดินไปเพื่อนบอกเฮ็ดเดไปเพื่อนบอกถ้ำถ้ำไปทําไปเฮ็ดไปเรื่อยๆนัน่นอาศัยเวลาก็คืออาศัยความแยบขายของเรานะครับยังเฮ็ดยกมือสร้างจังหวะนี่ คนรับยากนะครับเพราะว่ามันไม่งามยิ่งไปยกอยู่ในกลุ่มเขาจะรับตาวตรงนี้เขาจะสีห้าว่าเขาบ่าเนี่เราต้องฝึกอยู่ในกลุ่มนี้ล่ะฝึกให้มันเท่มแข็งมากขึ้นแล้วมันก็จะแผ่ออกไปเองแสงแห่งพระธรรมจะแผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปนั่นเราทํามากๆานั่นแหละนะก็ให้ไปทําำ ไม่ให้ไปคิดหรือคิดก็คิดโดยพิจารณาศึกษาให้มันเป็นจริงถ้ามันศึกษาตามความเป็นจริงได้แล้วมันจะเข้าใจมันจะชัดเจนแจ่มแจ้งนะพยายามเรียเตะทาไปเรื่อยเรื่อยเด้อย่อมมีอย่างบอกอ่าเนาะถ้าพูดถึงว่าตะมาไปไดาฝึกแบบนี้แหละมานานานเด้ แต่ว่าพออยู่ๆเขาให้ไปฝึกแบบหลับตาเอ๊ะไม่รู้จะไปฝึกอยู่ตรงไหนเขาเป็นพระเขาเจนไปนะครับเขาบังคับไปมีสามร้อยกว่ารูปนี่เป็นนิสิตไปเนี่ยเขาก็ให้นั่งหลับตามดเราหาอุบายไปนั่งด้านหลังนั่งด้านหลังเาไปนั่งยกมือมืดๆยกมือ เขาเรียกว่ามีพระผู้ตรวจด้านหลังเดินมาเขาว่าสำนักนี่เขาก็ให้ยกสำนักนี้เขาไม่ให้ยกมือสร้างแกงวะไปยกทำไมเขาว่าให้ยกไม่ได้พอเขาว่ า, างั้นเก็เสียจรงจะทำยังไงเน้ะตอนนั้นพระยังไม่ไม่มีอุบายในการที่จะทำว่านั่ง คลิมือหรือนั่งขี่มื อ, อ, มอไม่ต้องหลับตาเพียงแค่สัมผัสแบบนี้ก็ได้ข้ายังไม่มีอวัยทุกทุกไล่เออนะทุกบน้นี่พอมันทุกม า, มากแบบนี้ปรับตัวไม่ได้ทำยังไงเนอะไปย่างช้าๆไปทำช้าๆเขามันก็เวียนหัวมันขคลื่นไส่ว่ามันไม่ใช่ทางของเราเงั้นแต่พอ นั่นแล้วมันมีตัวหนึ่งบอกยยว่าใหญ่ว่าเอา้านั่งซื้อซื้อกระไรตัวนั่งเบิ่งคือซื้อนั่งนั่งดูนั่งสัมผัสนั่งแบบนี้เฉยก็ได้พอนั่งสัมผัสแบบนี้เฉยแล้วมันมันบอกว่าโอ้ธรรมะนี่จะอยู่ที่ไหนมันก็ทําได้ตัวนี่มันบอกเจ้าของแบบนี้จําเป็นอยู่พ่อ เขาเมื่องตาเลี้วๆตวต า, ว ต, าวตามตัวแต่เราเห็นมันเปลี่ยนมาสั่นมามันบอกแบบนี้ก็เลยไม่ยกมือแต่ว่านั่งสัมผัสนิ้วเล่นๆไปแต่ว่าเวลานั้นก็พอเสียจจนั้นพากขามายกมือจเจริญสติเหมือนเดิมเวลาเขาปล่อยให้เลือกไปก่อนจะนอนก็ทำนะครับตื่นขึ้นมาก็ทำไม่มีใครเองก็ต้องเห็นตัวเองคือรักเป็นชีวิตจิตใจ พอรักเป็นชีวิตจิตใจแล้วใครจะว่ายัางไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าตามมันไม่ทํามันก็โกรธอยู่แต่ถ้ารู้ทันว่าโอ้โกรธไม่นานมันก็ทิ้งไปแล้วก็กลับขึ้นมาหาตัวปัจจุบันแล้วทรูต้ตัวตัวนี้คืออันนี้ส่งมันดีครับแล้วก็เวลามันง่วงก็ต้องถามว่ามันง่วงเพราะเพราะก่อนไม่พอหรือเปล่าง่วงเพราะกินมากไปหรือเปล่า ง่วงพออะไรถามตัวเองมันจะละเอียดขึ้นถ้ามันเห็นพอประมาณของตัวเองได้แล้วมันก็สบายครับอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลงครับในเมื่อมันมีปัญหามีอุปสรรคมารบกวนมากๆแล้วก็พยายามแก้ไขแบบนี้เนี่ะพลิกแผงไปเรื่อยๆมันเครื่องเล่นอุบายมันเยอะอืมมันไม่ได้มีเพียงแค่น้อยๆหรอกอืมมันชกมันสารพัดอย่างนั่นแหละ แล้วมันก็สนุกด้วยชกกับกิเลสชกกับความคิดกับความรู้กับความไม่รู้นี่มันสนุกมันทุกข์หน่อยลงมันก็มีอยู่ทุกข์แต่ว่ามันมันจะเป็นเองนะมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติกัคือวความรู้สึกความรู้สึกรู้ตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวบอกเองหรอกก็ให้ทำ แต่อย่าไปเครียดไม่ไม่มันจะเครียดเท่านั้นแหละครับสัมผัส ด, ดูเวลามันเครียดมันตึงมันหน้าบูดหน้าบึ้งขึ้นมาทํายังไงพยายามยิ้มยิ้มไปยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม ส, บ, สบายสบายทำเหมือนกับไม่ทำถ้ามันเล่นๆครับถ้ามันเล่นๆทำมันทำเหมือนกับไม่ทําทําเล่นๆไปไปนวดขาอยู่ก็โอ้ มันก็จะไปของมันนะมันต้องเบิงมันที่จริงูุบ่ายต่างๆหลวงพ่อูุบ่าจา์เปิน่นไห่มะไวหลายนะแต่มาก็เพิ่งจะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี้เนาะมาสัมผัสส่วนอยู่เมืองไทยก็ไปปฏิบัติธรรมแบบเปิดประตูใจที่พุทธมนทน จมลมันนั่งเกษมเข้าไปเกือบทุกเดือนครับไต้ก็จะเห็นผู้ใหม่ว่าผู้เก่าว่าในรูป ado, <ๆ>ุแบบแบบนี้นะครับก็ผู้ใหม่ก็ให้สังเกตดูผู้เก่าผู้เก่าก็ต้องเป็นกันระยะนั้นนิดกับผู้ใหม่ในเมื่อสงสัยก็อย่าเก็บไว้คนเดียวถ้ายังไม่มีคําตอบหรือนั่นก็ให้เข้ามาหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านรู Kevin, ้ก <partially S 2> ่อน <included> เป็นกันลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางครับกัลยาณมิตรเป็นที่หนึ่งของโภมจันทร์เป็นที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้มันก็ให้พยายามทําให้มันมากๆครับทํามา ก, มากแล้วจะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของเราโดยดีวันดีคืนขึ้นหรอกนะดีวันดีคืนขึ้นจะดีวันไหนก็เป็นเรื่องของอนาคตจะชั่วก็เป็นเรื่องของอดีตเอาตัวปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยอย่าง เรากำลังฟังอยู่หูได้ยินตาเห็นจิตรู้ตามตามไปฟังไปรู้ไปเข้าใจไปมันก็จะค่อยค่อยค่อยค่อยสางออกสางออกรับร่องเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นคนละคนได้มั่นใจมั่นใจก็ญาติโยมทั้งหลายที่มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้ก็ ถือว่าเป็นคอร์สพอดีพอดีแหละไม่มากแล้วก็ไม่น้อยขอให้แก้ไขตัวเองอุปสรรคปัญหาต่างๆให้มันผ่านพ้นไปเด้อมันผ่านพ้นให้ได้จะปวดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะลจะใจยังไงก็พยายามกลับคืนมาหาฐานกายถ้านั่งมันค่อมลงยืดขึ้นเนี่ยสังเกต ด, ดูการนั่งแต่มันค่อมลงตอนไหนไม่รู้เลยบางคน ต้องบ่อยๆปื้อบ่อยๆกลับมาบ่อยๆกลับบ่อยๆถ้ากลับเป็นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะเห็นแจ้งหรอกอย่าทิ้งฐานกายอย่าลืมคําว่ารู้สึกตัวไปไหนก็ถ้าลืมความรู้สึกตัวก็คือลืมตัวถ้ารู้ตัวอยู่ก็เห็นตัวอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นส่วนอุบายในการรู้การเห็นก็ยกมือไปเรื่อยๆ สัมผัสไปเรื่อยๆบอกขีทางไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นแล้วก็ให้ให้รู้ให้ถึงให้มีตามความเป็นจริงนะถ้ามันยังไม่มีก็ให้ทำไปเรื่อยๆจะมีเองเป็นเองเข้าใจเองหรอกนะก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ล่ะเพราะว่าถ้าพูดมากก็เป็นสัญญาของพระเป็นของพระไม่ใช่เป็นของโยม แต่ถ้าโยมทำมากก็เป็นของโยมแล้วโยมก็จะเอาไปประยุชัยส่วนรายละเอียดลงลึกเรื่องวิชาการเรื่องตำรับตำลาจํามาเทศมาสอนมาบอกจากภาษาหนังสือก็หลงข้อก็แม่นยำอยีกแล้วก็คงจะให้ไปกระทำก็ขออนุมโมทานาสาธุรู้ธรรมเป็นธรรมเข้าใจธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ